ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคปรากฏอยู่มากมายในประเทศไทยนั้นนะคะแล้วก็สถานที่ที่มีตำนานแล้วก็ความเชื่อเรื่องของพญานาค ผูกพันกับคนไทยมาอย่างหนานแน่นที่สุดคงต้องยกให้ที่จังหวัดหนองคายค่ะแล้วก็จังหวัดบึงการที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนาคานครจังหวัดหนองคายแล้วก็บึงการนั้นตั้งอยู่ทางภาคอีสานตอนบนค่ะสำหรับบึงการนั้ น, เ, นเรียกว่าเป็นจังหวัดใหม่ที่เพิ่งจะแยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคายทั้งสองจังหวัดนี้ก็จะมีชายแดนติด ก, กันกับประเทศลาวเพียงแค่แม่น้าโขงกั้นเท่านั้น ว่ากันว่าค่ะแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคราชซึ่งเป็นที่เคารพ บ, บูชาแล้วก็เป็นที่นับถือของชาวหนองคายแล้วก็ประเทศลาวด้วยแล้วก็ระยะทางยาวไกลกว่า210กิเมตรที่แม่น้ําโขงทอดตัวไหลผ่านจังหวัดหนองคายมีตำนานแล้วก็เรื่องราวของพญานาค ของชาวหนองไทยเรียกว่าเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็กล่าวขานกันมาเนิ่นนานค่ะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิม์มหัศจรรย์แห่งลําน้ําโขงชาวอีสานในแถบลุ่มแม่น้ําโขงค่ะต่างก็มีความเชื่อนะคะว่าแม่น้ําโขงแล้วก็แม่น้ำนานเนี่ยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของพญานาครวมถึงความเชื่อในตำนานอัศจรรย์แห่งบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาทุกวันขึ้น15บห้าค่เดือน11 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์เหล่าพญานาคในแม่น้ำโขงเนี่ยต่างก็ชื่นชมสมณัตพร้อมใจกันค่ะจุดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธองค์บั้งไฟพญานาคก็เลยเป็นปรากฏการธรรมชาติอันอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดบึงการในทุกๆปีนะคะด้วยความเชื่อที่ว่าบริเวณนี้ เป็นนครแห่งพญานาค ก, ก็เลยมีปรากฏตำนานเรื่องราวต่างๆค่ะเล่าขานแล้วก็รวมไปถึงสถาปัตยกรรมโบราณวัดวาอารามที่เกี่ยวพันกันกันกบพญานาคอยู่มากมายโดยชาวจังหวัดหนองคายก็เชื่อนะคะว่ามีเมืองบาดาลของพญานาคตั้งอยู่ในเขตอําเภอพลพิสยัยโดยตั้งอยู่ใต้แม่น้ําโขงที่ลึกลงไป1นึ่งโยศหรือ16กกิโลเมตร มีปร า, าสาทราชวังที่วิจิตรงดงามอยู่ถึงเจชั้นเรียงซ้อนกันอยู่ด้วยเหตุของความเชื่อดังกล่าวนี้เองค่ะในวันออกพรรษาแต่ละปีของจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะที่อำเภอโพล พ, พิสัยก็จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่แห่แห่กันไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคกันอย่างล้นหลามถ้ำเพียงดินที่วัดถ้ำสีมงคลในอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายยังมีความเชื่อกันอีกนะคะว่าเป็นถ้ำพญานาค เป็นเหมือนประตูมิติระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็เมืองบาดาลเป็นเส้นทางที่พญานาคเนี่ยใช้เดินทางกลับสู่ใต้บาดาลแล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่พระธุดงทรงศีลแก่กล้าจากประเทศลาวใช้ข้ามฝั่งลอดแม่น้ำก็คือลอดใต้แม่น้ำโขงเนี่ยเข้ามายัางประเทศไทยแต่ถ้าหากได้เข้าไปในถ้ำด้านในก็จะมีทางแยกอีกนับไม่ถ้วนค่ะ ภาในถ้ำก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นแอ่งน้ำและก็ส่วนที่เป็นพื้นดินที่แห้งหากผู้ใดเข้าไปก็ควรจะมีการนำทางแล้วก็มีการาดูแผนที่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้มิฉะนั้นอาจจะพลัดหลงแล้วก็หาทางออกไม่เจอด้วยนะคะแม้ว่าหลายอย่างจะเป็นเพียงความเชื่อที่สืบทอดกันมา แต่ว่าตำนานพญานาคค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่อยู่คู่กันกันกบหนองคายแล้วก็บึงการรวมถึงผู้ที่อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงเสมอมาค่ะพูดถึงเรื่องของความเชื่อในเรื่องของพญานาคราชนะคะไม่ได้มีเพียงแค่จังหวัดหนองคายหรือว่าบึงการเท่านั้นเรื่องของความเชื่อนี้นได้แผ่ตัวหรือว่ากระจายตัวไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ตามต่างประเทศต่า ง, างก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไป บ้างก็ว่าเป็นพญานาคบ้างก็ว่าเป็นมังกรนะฮะก็สุดแท้แต่จ ะ, ะเรียกว่าเป็นอะไรแต่ว่าในประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็เรียกว่าพญานาคหรือว่างูที่ตัวใหญ่ๆนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยทางภาคใต้ของประเทศไทยค่ะก็จะมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเหมือนกัน เป็นสัญลักษณ์ของการให้น้ำแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะชาวาจังหวัดสงขลาก็เลยนับถือพญานาคค่ะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กราบไหว้ขอพรกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นของชาวสงขลาค่ะปฏิมากรรมพญานาคพ่นไฟเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสงขลาที่มีลักษณะแบบลอยตัวสามารถมองเห็นได้รอบด้าน สำหรับเนื้อของวัตถุนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียวซึ่งออกแบบโดยอาจารย์มนตรีสังมุสิกานนท์ค่ะก็มีการสร้างขึ้นเป็น3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1น่ี่เป็นส่วนหัวพญานาคตั้งอยู่บริเวณสวน2ทะเลปลายแหลมสนอ่อนนะคะแล้วก็จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัวอยู่ที่ 1.20 เมตรค่ะความสูงจากฐานลาตัวจนถึงปลายยอดเนี่ยประมาณ9เมตร พ่นน้ำลงสู่ปากอ่าวทะเลสาบสงขลาส่วนที่2คือสะดือของพญานาค ต, ตั้งอยู่บริเวณลานชมดาวสนามสะบัวแหลมสมีลาค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัวอยู่ที่ 1.20 เมตรเหมือนกันความยาวอยู่ที่5เมตรความสูง 2.50 เมตรลักษณะลำตัวโคง้งครึ่งวงกลมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลอดใต้สะดือพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตามความเชื่อนะคะ ส่วนที่3ค่ะหางพญานาคอันนี้จะตั้งอยู่บริเวณชายหาดสมิลาริมถนนเสดวเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 1.20 เมตรความยาว4ี่เมตรความสูง 4.5 เมตรค่ะปัจจุบันปฏิมากรรมพญานาคพ่นน้ำได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดสงขลาจะว่าไปแล้วคุณผู้ฟัง พญานาคพ่นน้ำเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสงขลากันเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงก็คล้ายๆกับสิงโตพ่นน้ําและข้างๆกันก็จะมีพระบรมรูปกรมหลวงจุมพอไว้ให้พวกเราที่ไปเที่ยวเนี่ยได้สักการะเอาเลอกเอาชายัยเมื่อมาเยือนถึงเมืองสงขลาค่ะพูดถึงพญานาค ก, ก็จะต้องนึกถึงพญาครุฑเช่นกันแล้วก็ต้องมีความสงสัยเกิดขึ้นตามตำนานที่เราได้ยินได้ฟังกันว่าเอ๊ะทำไมพญานาค ก, กับพญาครุฑถึงไม่ถูกกัน สาเหตุก็คือแม่ของพญานาคและก็แม่ของพญาครุฑเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันนะคะแต่ว่ามีสามีเป็นคนคนเดียวกันค่ะก็เลยมีคําถามกันค่ะก็คือถามกันเฉพาะพี่น้องนี่แหละแล้วก็เหมือนกับเป็นคําถามเชิงการพนันกันว่าเออม้าของพระอาทิตย์เนี่ยสีอะไรแม่ของนาคค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะคลอดลูกแล้วก็ตอบว่าสีดําส่วนแม่ของครุฑยังไม่คลอดลูกเป็นครุฑนะคะก็ตอบว่าสีแดง แล้วเขาก็ตกลงกันค่ะว่าเออถ้าใครตอบผิดต้องยอมเป็นทาสรับใช้อีกฝ่ายโดยไม่มีเงื่อนไขนะซึ่งพญานาตนี่ก็กลัวว่าแม่ของตัวเองจะแพ้เลยไปแอบดูม้าของพระอาทิตย์ก่อนว่าสีอะไรก็ปรากฏว่าเป็นสีแดงค่ะทีนี้กลัวแม่จะแพ้ก็เลยพ่นไฟเป่าซะดำเมี่ยมเลยวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนก็เลยไปดูกันปรากฏนะคะว่าสีดำยังอยู่ที่มา้าเพราะว่าพิษยังไม่หมด แม่ของครุดก็เลยแพ้เลยต้องเป็นทาสรับใช้ซึ่งตอนหลังนะคะแม่ของครูดคลอดลูกออกมาเป็นไข่2ฟองแล้วก็ฟักอยู่นานถึง10ปีเลยทีเดียวแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไข่ไม่แตกสักทีหนึ่งก็เลยเคาะดูปรากฏนะว่าไข่ที่ถูกเคาะเนี่ยมันแตกค่ะแล้วก็ข้างในไข่เนี่ยกลายเป็นคนแค่ครึ่งเดียวก็เลยโกรธแม่ว่าทําไมถึงรีบเคาะนับก็เลยหนีไปเจอพระอาทิตย์ แล้วพระอาทิตย์ก็เลยเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมซะเลยให้ขี่รถมา้านำทางให้แล้วก็ให้ตั้งชื่อว่าอรุณนั่นก็คือทําไมเวลาเราเห็นแสงเหลืองทองตอนเช้าเราถึงเรียกว่ารุ่งอรุณก็เพราะว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อของคนนําทางพระอาทิตย์แต่ไม่ใช่พระอาทิตย์นะคะคนนําทางของพระที่อือแสงพระอาทิตย์นั่นเองจากนั้นค่ะ่ายอีกฟองหนึ่งก็ฝักออกมาเป็นครุดโอ้มีฤทธิ์เยอะเชียวละตัวนี้เขาก็เลยสงสัยว่า ทำไมแม่ต้องเป็นทาสรับใช้พวกนาค ก, ก็เลยไปถามเรื่องราวแล้วก็ไปเยี่ยมน้องที่อยู่กับพระอาทิตย์ค่ะก็เลยรู้ความจริงว่าม้าของพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสีแดงก็ดูแล้วแหละว่าพวกนาคเนี่ยโกงก็เลยมาตกลงกับนาค ก, กันว่าทํายังไงถึงจะปล่อยแม่ให้เป็นอิสระซึ่งนาคก็บอกว่าให้ไปเอาน้ำำาําอมฤตมาให้แล้วจะปล่อยพญาครุฑค่ะก็เลยขึ้นไปบนสวรรค์อรารวาสกับเทวดาจะเอาน้ำำาําอมฤตให้ได้ จนพระนารายณ์ต้องมาไกล่ยเกลียซึ่งก็ได้ความนะคะว่าเพราะความกระตันยูอยากได้น้ำอมฤตไปไถ่ตัวแม่ก็เลยยอมให้แต่ต้องเอามาคืนนะพยากรุตก็เลยบอกว่าเอาไปให้นาคแต่ไม่คืนซึ่งถ้าจะเอาคืนเทวดาต้องไปเอาคืนเองเทวดาก็เลยยอมให้ยืมค่ะ พอลงมาก็วางไว้บนหญ้าคาให้พวกนาคพร้อมกับเหล่าเทวดาตามมาอีกมากมายเลยพญานาคก็เข้าใจนะคะว่าพวกเทวดาเนี่ยมาอวยพรพอครุดวางปุ๊บนาคจะเข้าไปเอาน้ำเทวดาก็รีบคว้าไปเลยค่ะด้วยความรีบน้ำก็เลยหกเล็กน้อยมาบนหญ้าคานาคเสียดายค่ะรีบเข้าไปเลียน้ำที่หญ้าคาซึ่งหญ้าก็คมมากลิ้นก็เลยแตกออกเป็นสองแฉกแล้วหญ้าคาเนี่ยทนทานด้วยนะ เพราะว่าได้น้ำอมฤตหยดใส่นี่แหละนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุทําไมนาคกับครุฑไม่ถูกกันเพราะว่าครุฑเนี่ยแขนที่นาคหลอกให้แม่เป็นทาตอยู่นานนาคก็แขนอะที่ครุฑเอาน้ำอมฤตมาให้แต่ให้เทวดามาชิงกลับไปทําให้พญานาคกับภรยาครุฑไม่ถูกกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตำนานแล้วก็เป็นความเชื่อนะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนแล้วแล้วก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันไปนะคะ หลายๆท่านค่ะอาจจะสงสัยว่าพญานาคเนี่ยมีกี่จําพวกและพญานาคมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวบีจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าพญานาคเนี่ยมีอ่ากี่ตัวมีชื่ออะไรบ้างมีกี่เหล่านะคะซึ่งตรงนี้บีก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะพญานาคเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ตระกูลค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสีตระกูลนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยตระกูลวิรูปัก วิรูปกคือพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอราปดค่ะพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลฉับพยาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุง้งและก็ตระกูลกันหาโคตมะเป็นพญานาคตระกูลสีดำพญานาคเกิดได้ทั้งสี่แบบคือแบบโอปาติกะเกิดแล้วโตทันทีแบบสังเศธชะเกิดแบบจากเงื่อกคลายสิ่งหมักมมแบบชลาผู้ชะคือเกิดจากคันและก็แบบอันทชะเกิดแบบจากฟองไข่ พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปติกะนะคะเป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคก็จะอยู่แต่ในแม่น้ำในหนองในคลองแล้วก็บึงต่างๆหรือแม้กระทั่งในอากาศไปจนถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคเนี่ยก็จะอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเนี่ยเพราะว่าทำบุญแต่เป็นบุญที่เจือด้วยราคะ องคนาคาธิบดีทั้ทง9พระองค์ค่ะก็คือกษัตริย์แห่งเมืองบาดาลที่ปกครองวังนาคินต่างๆซึ่งแต่ละพระองค์เนี่ยเป็นพญานาถที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แต่ในศีลธรรมแล้วทั้งสิน้นองค์นาคาธิบดีทั้ทงเพระองค์ก็คือแต่ละเสียงนะคะมีพระนามดังต่อไปนี้องค์ที่1คือพญาอนันตนาคราชองค์ที่สองพญามุจลินนาคราชองค์ที่สพญาพุชงนาคราชองค์ที่4ี่พญาศรีสุธโธนาคราช องที่5นะคะมีพระนามว่าพระยาสีสตะนะคราชองค์ที่6ค่ะพญาเพชรพัทระนาคราชหรือว่าพญาเกล็ดแก้วนาคราชองค์ที่7พญานาคดําแสนสิริจันทรานาคราชองค์ที่ 8. พยามัสมันนาคราชแล้วก็องค์ที่9พญาคัตตรศีเทวานาคราชนะคะซึ่งองคนาคาธิบดีเนี่ยเทียบเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินหรือว่ากษัตริย์ พญานาคกับพญาคิ้นีเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนะคะนาคหรือนาคีก็เทียบเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่วนนาคตัวผู้นาคตัวเมียก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ถือว่าเป็นคนมีศีลเงือ้อผู้งื้เมียคือประชาชนทั่วไปแต่ไม่ถือศีลได้ทีนี้ก็จะต่ําลงมาเป็นงูตัวผู้งูตัวเมียประชาชนทั่วไปที่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเอง ปกติแล้วนะคะเหล่าพญานาคเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถือศีลแปดเคร่งครัดมากพญานาคจะไม่ทำร้ายใครแต่ก็จะมีพญานาคชั้นเลวชอบทำร้ายมนุษย์ตามแม่น้าด้วยนะคะสำหรับลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภู ม, มิภาคก็จะแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าพื้นฐานคือมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหนอนสีทองแล้วก็มีตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามแต่บารมีค่ะบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็สีดำหรือบ้างก็มีเจดสีและที่สำคัญก็คือตระกูลทําองค์ดำเนี่ยท่านจะมีเสียดเดียวแต่ถ้าเป็นตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นก็จะมี3มเสียด5เสียด7ดเสียดและก็9เสียด น, นะคะพญานาคจำพวกนี้องค์ท่านจะสืบเชื้อสายมาจากพญาเจตคานาคราชก็คืออนันตนาครราชนั่นเอง ผู้ที่เป็นบรรลังขององคพอ์พระวิษณุนารายปฐมนาฏแล้วก็ณนะแกเสียนสมุดนะคะอนานันตนาคราชเล่ากันว่าองค์ท่านนี่ก็จะมีกายที่ใหญ่โต ม, มาึ้มามีความยาวไม่สิ้นสุดค่ะมี1000เศียรท่านเกิดได้ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกเกิดจากคันและก็เกิดจากไข่มีอิทธิฤทธิ์สามารถบรนดาลให้เกิดคุณแล้วก็โทษได้และท่านสามารถแปลงร่างเป็นเท พ, พบุตรหรือเทพธิดารูปร่างสวยงาม กล่าวกันก็คือทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวต่างก็มีกษัตริย์แห่งนาคราชหรือนาคาทิบดีแยกปกครองดูแลนะคะฝั่งลาวที่เขานับถือว่าเป็นนาคาทิบดีสัตตนาคราดนาคราชหรือว่านาคบดานเนี่ยก็คือพญาสีสัตตนาคราชเป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งลาวมีเจ็ดเศียรแต่ว่าฝั่งไทยคือพญาสีสุดโทนาคราชค่ะซึ่งเป็นนาคาธิบดีสีสุดโทเป็นกษัตริย์พญานาค ฝั่งไทยมีแค่หนึ่งเสียนเท่านั้นพญาศรีสุดโทเนี่ยท่านชอบจําศีลบําเพ็ญเพียรแล้วก็ปฏิบัติธรรมมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระาธาตุพนมโดยมอบหมายให้เหล่าอำามา ด, ดูแลแทนในระหว่างที่หลบมาจําศีลภาวนานะคะพญาจิตต ร, ราณคราชองนี้เนี่ยท่านจะรักสวยรักงาม มีเขตแดนปกครองตนตั้งแต่ตาลีฟูถึงจังหวัดหนองไายตามแนวแม่น้ำโขงโดยที่มีที่สิ้นสุดก็คืออยู่ที่วัดหินหมากเป้ง2ค่ะพญาสมนาคราชอันนี้ก็จะมีเขตปกครองนะคะตั้งแต่วัดหินหมากเป้งลงมาจนถึงวัดาธาตุพนม สุดเขตแดนที่แก่งกระเบาพญานาคโสมนาคราชนี่มีอุปนิสัยคล้ายกับพญาสีสุดโทค่ะคือชอบปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นที่ไว้วางใจแล้วก็โปรดปรานแก่พญาสีสุดโทนาขคราชเป็นอย่างยิ่งพญาชัชชายยะนาคราชนะคะท่านก็จะมีเขตแดนจากแก่งกระเบาเรื่อยไปจนสุดแดนที่ปากแม่น้าโขงลงในทะเลเมรท่านนี้นี่มีฤทธิเดชมากชอบการรณรงค์ทำสงครามคือชอบการต่อสู้ เป็นนิสัยพญานาคเนี่ยเป็นราชาแห่งงูค่ะจัดว่าเป็นเดรัจฉานด้วยเพราะว่ามีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็จัดอยู่ในฝ่ายสุขติภูมิคืออยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคะพญานาคเกิดได้4แบบอย่างที่บีบอกไปก่อนหน้านี้ แล้วก็พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปติกะนี่จะเป็นชั้นปกครองประเภทของพญานาคก็จะแบ่งลําดับชั้นตามหน้าที่ไว้สีพวกด้วยกันคือ 1. นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานเทพแล้วก็เทวดานาคกลางหาวมีหน้าที่ให้ลมให้ฝนค่ะนาคโลกบาลมีหน้าที่รักษาแม่น้ําลำคลองแล้วก็นาครักษาขุมทรัพย์เมื่อรวมนาคทั้งสี่พวกเข้ากันนะคะก็จะมีพญานาคทั้งสิ้น512ชนิดโดยมีการรูปีพญานาค เป็นพญานาคที่สวยกรมคุณแล้วก็อภามารูปีพญานาคค่ะเป็นพญานาคที่ไม่สวยกรรมคุณพญานาคบางพวกมีอายุสั้นนะบางพวกก็มีอายุยืนค่ะอาจจะมีอายุยาวนานเป็นกลับเป็นกันก็ได้อย่างพญานาคตัวหนึ่งของพญานาคการะนะคะก็คือชื่อพญานาคการะเนี่ยมีอายุยืนยาวมากตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุกะสันทะจนถึงพระสมณะโคตมะแล้วก็จะมีอายุไปถึงพระศรีอรยะเมตไตร ซึ่งตามปกติพญานาคจะกลัวพญาครุฑนะคะทีนี้ย้อนกลับมาถึงพญาครุฑกันบ้างคือพญานาคที่พญาครุฑไม่สามารถกินเป็นอาหารได้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน7พวกด้วยกันค่ะ7พวกที่ว่านี้ประกอบไปด้วย 1. พญานาคที่มีชาติกําเนิดที่ละเอียดกว่าแล้วก็มีภพภูมิที่อยู่สูงส่งกว่าพญาครุฑ 2. องค่ะกำพลสัตว์ระพญานาคราช 3. ราตนรัฐพญานาคราช สพญานาคราชที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสีธันดรทั้ง7สมุทรหค่ะพญานาคราชที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน 6. พญานาคราชที่อาศัยอยู่ในภูเขา 7. พญานาคราชที่อาศัยอยู่ในวิมานหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิมนะคะพญานาคที่กล่าวมานี้เนี่ยเป็นพญานาคที่ปรากฏอยู่ในชาดกทางพระพุทธศาสนานะคะ สำหรับพิษสงของพญานาคนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าพญานาค ก, ก็คืองูอะค่ะเมื่อนึกถึงงูก็ต้องนึกถึงพิษของงูความน่าเกรงขามของพิษพญานาคในคำภีปรมัตถโชตก็ต้องบอกว่าพญานาคเนี่ยมีพิษชนิดหนึ่งก็คือจะมีจะมีอยู่สี่จำพวกด้วยกันก็คือจะเป็นการจัดหมวดหมู่ของนาคไว้ตามชนิดของพิษด้วยนะคะ พญานาคหมวดที่1คือพญานาคมีพิษชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วร่างกายจะแข็งไปหมดทั้งตัวอวัยวะต่างๆแม้จะยึดหรืองอหรือเหยียดออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าจะเจ็บปวดและก็ทรมานมากหมูที่2ค่ะปูติมุกพญานาคอันนี้มีพิษชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วแผลจะเน่าเปื่อยมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลาหมวดที่3อัขิมุก ค, ค, ค่ะพญานาคชนิดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกพิษชนิดหนึ่ง ถ้ากัดผู้ใดแล้วก็จะเกิดความร้อนไปทั้งตัวจะเป็นริ้วรอยคล้ายกับถูกไฟไหม้สัตว์ทมุกนะคะหมวดที่4หมวดสุดท้ายพญานาคชนิดนี้เนี่ยก็จะมีพิษที่แบบว่าซึ่งถ้ากัดใครแล้วเหมือนกับถูกฟ้าผ่าเลยนะพญานาคทั้งสี่ประเภทนี้เนี่ยมีวิธีที่จะทำอันตรายด้วยวิธีแตกต่างกันไปค่ะ 1. ใช้เขี้ยวพิษขบกัดแล้วพิษค่อยแผลซ่านไปทั้งตัว2 ใช้ตามองดูค่ะและพ่นพิษออกมาทางหางตา 3. ม, มีพิษไปทั่วร่างกายเพียงแต่ใช้ร่างกายกระทบเข้าก็เป็นพิษแผลออกไปได้แล้วก็4ค่ะใช้ลมหายใจพ่นเป็นพิษออกมาและพิษนั้นนีก็จะแผลซ่านออกไปทั่วร่างกายนะคะพูดถึงพญานาคแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะนึกถึงพยาครุดด้วยบีก็เลยขออนุญาตนะคะพูดถึงเรื่องของพยาครุดต่อเนื่องกับพญานาค ก, กันไปเลยก็แล้วกัน ตามคำพีปรณานะคะของฮินดูเนี่ยเล่าถึงกำเนิดของพยากรุษไว้ค่ะบอกว่าครั้งหนึ่งพระทักษะประชาบดีได้ยกสิบสามนางให้กับพระกัสยปะเทพิดอนซึ่งธิดาอาทิดาของสองพระองค์เนี่ยก็คือนางวินตาแล้วก็นางกัทระนะคะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน โดยนางกัทระขอพอรจากพระกัศยพให้มีบุตรเป็นนาค 1,000 ตัวส่วนนางวินตาขอพอรให้มีบุตรเพียงสององค์แต่ให้มีฤทธิ์อำนาจมากกว่าบุตรของนางกัทระนะคะนางกัทระเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นไข่1000ฟองค่ะเมื่อเวลาผ่านไปถึง500ปีก็บังเกิดเป็นนาค 1,000 ตัวส่วนนางวินตาคลอดลูกเป็นไข่สองฟองหลังจากเวลาผ่านไปเนิ่นนานไข่ก็ยังไม่ฟักเป็นตัวสักทีหนึ่ง นางวินตาก็เลยทุบไข่ใบแรกเนี่ยปรากฏแน่ว่าเป็นเทพมีเพียงครึ่งองค์แต่ไม่มีท่อนล่างเนื่องจากเกิดก่อนกำหนดนามว่าอารุณเทพระบุตินะคะพระอรุณก็โกรธนางวินตาผู้เป็นแม่ค่ะที่ทำให้ตัวเองต้องพิกลพิการเื้อเลยสาบ ให้ต้องเป็นทาสของนางกัทระเป็น500ปีเลยแต่ก็บันทาวคำสาบว่าหากนางวินตาสามารถทนรอไปอีก500ปีจนไข่อีกฟองหนึ่งฟักเป็นตัวบุตรในไข่ใบที่สองจะช่วยนางให้พ้นคำสาบต่อมานางวินตาแล้วก็นางกัทระก็แข่งพนันทายสีม้าเทียมรถของพระอาทิตย์โดยมีข้อแม้ค่ะว่าหากผู้ใดแพ้ต้องยอมเป็นทาสของอีกฝ่ายหนึ่ง นางกัทธาระก็เลยใช้อุบายให้นาคผู้เป็นลูกเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ในรถขนมา้าเพื่อให้ไปเปลี่ยนสีนางวินตาก็เลยแพ้พนันกลายเป็นธาตุของนางกัทระค่ะหลังจากนั้นอีกเวลา500ปีต่อมาไข่ใบที่สองก็แตกออกมาเป็นเทพระบุตผู้มีกำลังมหาศาลมีรัศมีทองสว่างสวัยกว่าพระอาทิตย์นับร้อยเท่า มีศีษะจะงอยปากแล้วก็มีปีกเหมือนนกอินทรีแต่ว่าร่างกายแขนขาเหมือนมนุษย์มีนามว่าเวนไตเวนไตนี่แปลว่าเกิดจากนางวินตานะคะเมื่อพญาเวนไตเติบโตขึ้นค่ะก็ทราบว่ามานดาตนนี้ต้องเป็นทาสของอนางกัทรรนะฮะเพราะว่าแพ้อุบายก็เลยขอไถ่ายตัวนางวินตาจากเหล่านาคพวกนาคก็ยินยอมนะแต่มีข้อแม้ ว่าพยาเวนไตเนี่ยต้องไปเอาน้ำอมฤตที่พระอินเก็บรักษาไว้บนสวรรค์มาให้พวกตนพยาเวนไตก็เลยตกลงโดยก่อนออกเดินทางเนี่ยได้ขอพรจากมารดาซึ่งนางวินตาบอกว่าระหว่างทางหากหิวให้กินเฉพาะคนป่าเถื่อนหรือที่เรียกว่านิาสาัดนั่นเองนะคะแล้วก็ห้ามทาอันตรายต่อพวกพรามโดยเด็ดขาดพยาเวนไตก็รับคามารดาค่ะในระหว่างทาง เมื่อเกิดความหิวก็จับพวกนิสสัดมากินเป็นอาหารแต่ไม่อิ่มท้องก็เลยไปจับเต่ามากินจับช้างมากินนะคะเต่าเนี่ยเขาเรียกว่าวิภาวสุและก็ช้างก็คือสุปรติกะนะคะซึ่งเดิมเป็นอสูรพี่น้องกันแต่เกิดความโลภแย่งสมบัติกันคนะ่ะต่างฝ่ายต่างสาบให้กลายเป็นเต่าแล้วก็ช้างที่มีขนาดใหญ่โตมากพญาเวนไตเอาปากคาบสัตว์ทั้งคู่บินไปเกาะกิ่งไทรที่มีความยาวถึง1นึรอยโยชน์ แต่ว่ากิ่งทรยเนี่ยทานน้าหนักไม่ไหวก็เลยหักลงมาพญาเวณไตแลเห็นว่าบนกิ่งทรมีพวกฤาษีแคระซึ่งเรียกว่าผานขียะมีขนาดเท่านิ้วมือเนี่ยก็เลยเอาอุ้งเท้าเนี่ยจับกิ่งทซแล้วก็บินพาไปวางที่เขาเหมมากุดนะคะพวกฤาษีเห็นว่าพญานกมีจิตใจงดงามก็เลยเรียกว่าครุดค่ะแปลว่าผู้รับภาระอันหนักอึ้ง ทั้งยังให้พรว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้สำเร็จตามประสงค์และให้มีพละกำลังมหาศาลไม่มีผู้ใดต้านทานได้จากนั้นพญากรุตก็บินไปยังเทวโลกนำน้ำอมฤตออกมาพระวิษณุเสด็จมาพบเข้าก็เลยสู้รบกันค่ะแต่ต่างก็ไม่สามารถเอาชนะกันได้พระวิษณุทรงพอพระทัยก็เลยทรงให้พรตามที่พญากรุตต้องการพญากรุตต้องการ2ประการก็คือ1 ขอเป็นพาหนะให้กับพระวิษณุในเวลาเสด็จไปยังที่ต่างๆในยามปกติขอให้อยู่เหนือพระวิษณุและขอให้มีความเป็นอมตะแม้จะไม่ได้ดื่มน้ำอำมฤตก็ตามพระวิษณุก็โปรดให้พรตามที่ขอแล้วก็ยังทรงอนุญาตให้สามารถจับพญานาค ก, กินเป็นอาหารได้ยกเว้นพวกเสศนาคและก็นาควาสุกรีซึ่งเป็นผู้เคารพในพระองค์นะคะทีนี้เมื่อพญาครุฑ ออกเดินทางต่อค่ะก็ปรากฏว่าพระอินทร์เนี่ยตามมาแย่งน้ำำําอมฤตคืนก็เกิดสู้รบกันพระอินทร์สู้ไม่ได้ก็เลยทําสัญญาเป็นมิตรพญาครุฑบอกให้พระอินทร์ตามไปเอาน้ำอมฤตคืนหลังจากที่ตนส่งน้ำำําอมฤตให้พวกนาคแล้วเมื่อพญาครุฑกลับมาก็นําน้ำำําอมฤตเนี่ยไปไถ่ตัวมารดาค่ะแล้วก็ออกอุบายให้พวกนาคไปชําระล้างร่างกายก่อนดื่มน้ำำําอมฤตเมื่อพวกนาคหลงกลพระอินทร์ก็ทรงช่วยเอาน้ำำําอมฤตกลับสวรรค์ ด้วยเหตุดังกล่าวนี่แหละนะคะพญาครุฑก็เลยเป็นเทพพาหนะของพระวิษณุในยามที่เสด็จไปยังที่ต่างๆส่วนในยามปกตินะคะพญาครุฑจะอยู่บนเสาธงนำขบวนของพระวิษณุซึ่งเรียกว่าครุฑทวัดนั่นเองนะคะ นอกจากตำนานข้างต้นแล้วคุณผู้ฟังครุฑนี่ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับคนไทยอีกหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะการถือว่าครุฑเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์สําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยว่าไทยเราได้รับลัทธิเทวราชของอินเดียที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ก็คืออวตารของพระนารายณ์ดังนั้นนะคะครุฑซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากและก็เป็นพาหนะของพระนารายณ์จึงเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ เหมือนที่ปรากฏอยู่ในดวงตราหรือพระราชสัญจกรประจำพระองค์ประจำแผ่นดินประจำราชวงศ์และประจำรัชการค่ะซึ่งจากการที่เราใช้ตราครุฑเป็นพระราชลัญจกรสำหรับประทับหนังสือราชการแผ่นดินที่เป็นพระบรมราชองค์การแล้วก็ใช้พระราชลัญจกรพระครุฑ ะะประทับหนังสือราชการแผ่นดินมาแต่โบราณกาลด้วยแต่ว่าต่อมาค่ะได้มีการใช้ตราครุฑเป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการทั่วๆไปนะคะทีนี้เพื่อให้ทราบค่ะว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานของราชการส่วนรูปครุฑที่เป็นธงแทนองค์พระมหากษัตริย์นั้นเรียกว่าธงมหาราชเป็นรูปครุฑสีแดงอยู่บนพื้นธงสีเหลืองโดยเริ่มใช้ในสมัยราชการที่สี่ ธงมหาราชนี้เมื่อเชิญขึ้นเหนือเสาณพระราชวังใดก็แสดงว่าพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ณที่นั่นสําหรับครุฑที่ปรากฏอยู่ในขบวนเรือหลวงก็มีอยู่สามลําด้วยกันก็คือเรือครุฑเฮิรนเหตุเป็นหัวโขนรูปพยาครุฑสีแดงยุคหน้าเรือครุฑเตเตรายจักเป็นหัวโขนรูปพยาครุฑสีชมพูยุคหน้าค่ะแล้วก็เรือนารายงทรงสุบรนรัชกาลที่9เป็นรูปพระนารายงทรงครุฑ เป็นเรือที่สร้างขึ้นในรัชกาลปัจจุบันนะคะนอกเหนือจากการที่ตราครุฑปรากฏในส่วนราชการต่างๆแล้วในภาคเอกชนก็สามารถที่จะรับพระราชทานบรมราชานุญาตให้ใช้ตราครุฑหรือว่าตราแผ่นดินในกิจการได้ด้วยค่ะโดยเริ่มมีมาตั้งแต่รัชกาลที่5ซึ่งเดิมเป็นตราอามโดยมีข้อความประกอบว่าโดยได้รับพระบรมราชานุญาตต่อมานะคะในรัชกาลที่6กก็ได้เปลี่ยนตราแผ่นดินเป็นตราพระครุฑผ้านะคะ การพระราชทานตรานี้แต่เดิมก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่จะพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยผู้ได้รับนอกจากจะเป็นช่างหลวงเช่นช่างทองช่างถ่ายรูปเป็นต้นแล้วก็มักจะเป็นผู้ประกอบกิจการค้ากับราชนากและก็เป็นประโยชน์ต่อราชการแผ่นดิน ปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังการขอพระราชทานตราตั้งนี้ต้องยื่นคำขอต่อสำนักพระราชวางังเพื่อพิจารณานำความขึ้นกระบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซึ่งตราตั้งนี้ก็ถือว่าเป็นของพระราชทานเฉพาะบุคคลค่ะสิทธิ์รับพระราชทานและการใช้เครื่องหมายนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อสำนักพระราชวังเรียกคืนเนื่องจากบุคคลห้างร้าน หรือบริษัทที่ได้รับพระราชทานเนี่ยเสียชีวิตหรือเลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการให้ผู้อื่นหรือสำนักพระราชวังเห็นสมควรในการเพิกถอนสิทธินั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือตำนานของครุฑกับตานานของนาคค่ะที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่ติดตามรับฟังพระเจอผีอยู่ต้องการอยากจะฟังตานานของใครตำนานของอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดเข้าไปใน Facebook f แฟนเพจพระเจอผีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วรวมทั้งบีเองด้วยก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ